ตั้งจิตละลึกบอกว่าขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขความสุขในที่นั้นก็คือว่าท้าในปัจจุบันก็ให้ความสุขที่ได้สุขที่เป็นมนุษย์สมบัติบ้างในอัตภาพในอนาคตก็ละลึกให้มีความสุขที่เป็นไปในส่วนของสวรรค์สมบัติและเป็นปัจจัยแห่นิพพานสมบัติเป็นต้นแล้วก็ปรารถนาให้ตนเองนั้นพ้นจากเวรทั้งหลายมีปานาธิบาตเป็นต้น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 สัตว์ผู้นับเนื่องในพบทั้งหลายหญิงทั้งหลายชายทั้งหลายเป็นต้นเหล่าเนี้ยลักษณะอย่างนี้แล้วก็ปรารถนาบอกว่าเมื่อน้อมจิตให้กับตนเองเบ็ดเบ็ดเสร็จอย่างนี้แล้วเนี่ยทีนี้ก็มาน้อมจิตระลึกดูว่าในขณะ น, นี้เราระลึกถึงไข่ถ้าหากว่าเป็นพ่อแม่เป็นผู้มีอุปการะคุณอะไรต่างๆเหล่านเนี้ยนี่ยแล้วก็เริ่มน้อมจิตของตนเราเองนั้นเนี่ย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 ที่อยู่ใน Menschen, <S <S <an> <S ทิศเบื้องหน้าของข้าพเจ้าเนี่ย <S <S <ess Familien> จงเป็นผู้มีความสุขเถิดสัตว์ทั้งหลายที่อยู่เบื้องหน้าของข้าพเจ้าเนี่ยอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในเบื้องหน้าของข้าพเจ้าเนี่ยอย่าได้มีจิตคิดพยาบาทอาฆาตฟองร้ายเดือดเดียนซึ่งกันและกันเลยสัตว์ทั้งหลายที่อยู่เบื้องหน้าของข้าพเจ้าเนี่ยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย <issions> สัตว์ทั้งหลายที่อยู่เบื้องหน้าของข้าพเจ้า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 หลับตาก็ส่งใจไปทางด้านขวามือของเราเนี่ยนะให้กัสบสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปทางด้านขวามือของเราน้อมจิตไปในลักษณะยนี้เดี๋ยวพลังของเมตตาก็จะเกิดขึ้นนนะประการต่อไปก็คือแผ่ไปทางด้านซ้ายนิดนิดอมาดพวกพ้องอะไรต่างๆเหล่านี้และในขนาดเดียวกันก็คือว่า เมื่อเราแพ่ไปในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าสัตว์ทั้งหลายเนะี่ยที่เป็นเพื่อนทุกข์เนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นที่อยู่ขวามือของข้าพเจ้าเนี่ยจงเป็นผู้มีความสุขเธออย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอย่าได้มีจิตคิดพยาบาทอาฆาตปองร้ายเบียดเดียนซึ่งกันและกันเลยเป็นต้นแล้วก็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 สัตว์ทั้งหลายที่อยู่เบื้องหลังกองเข้าพระเจ้าอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสัตว์ทั้งหลายที่อยู่เบื้องหลังกองเข้าพระเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเถิดน้อมกระแสจิตทำศ ร, รัทธาธรรมสติสมาธิทำปัญญาทำวิริยะเป็นต้นให้สหอลคตกับความกับเมตตา แล้วก็ส่งกระแสคิด ท, ที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยเมตตาเนี่ยเป็นไตรกษัตร์ที่อยู่เบื้องหลังของเรานั้นเป็นไปแล้วแล้วเราเล่า แ, แพ่ไปอย่างกว้างขวางแพ่ไปโดยไม่มีประมาณเมื่อทำได้ในลักษณะอย่างนี้อันนี้แสดงให้เห็นว่าการอบรมการเจริญนั้นเริ่มได้ผลแล้วเมื่อการเจริญและการอบรมนั้นได้ผลก็มาตรวจสอบดูที่ใจของตนเองว่าตอนเนี้ย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 พระราชากริย์ทั้งหลายต่างๆเหล่านี้ยน้อมจิตไปให้ท่านเหล่านั้นนี่ยสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในเบื้องบนจงเป็นผู้มีความสุขเถิดสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในเบื้องบนอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในเบื้องบนของข้าพเจ้าเนี่ยจงเป็นผู้อย่าได้มีจิตคิดพยาบาทอาฆาตฟองร้ายเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสัตว์ทั้งหลายที่อยู่เบื้องบนของข้าพเจ้า จะได้มีความทุกกายทุกใจเลยสัตว์ทั้งหลายที่อยู่เบื้องบนของข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนได้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเถิดให้สังเกต ด, ดูนะว่าเมตตาที่เกิดขึ้นเนี่ยใจเราโน้อมไปจริงๆนะหรือมันติดอยู่ที่ใจอย่างเดียวมันไม่แผ่ซ่านออกไปถ้ามันไม่แผ่ออกไปแสดงว่าเมตตายังไม่มีผลบางทีมันไม่ยอมออกมันค้าน ม, มันเกียดค้าง เวลาจะทำขึ้นมาพบหนึ่งอย่างเี้มันก็มันก็อยู่เฉยๆอย่างเงี้ยใจมันดื้อมันไม่มันไม่ยอมวิ่งท่านออกมันไม่ยอมไปตามที่เราปรารถนาหรือเราต้องการตรงนี้ก็ต้องพยายามอบรมบ่อยๆอย่าไปทอ้อก็ให้นั่งคิดอย่างนี้นะว่าถ้าเราท้อณวันนี้แล้วต่อไปเราจะฝึกจเจริญเมตตาได้ยอย่างไร ฉะนั้นถ้าหากว่าใจมันไม่น้อมมันไม่ออกไปต่ออารมณ์ที่เรากําลังแผ่เนะี่ยค่อย้น้อมกลับมาในการแผ่ให้กับตนเองเมื่อเราน้อมแผ่กับตนเองจนมีความตั้งมัน่นจนมีความผ่องใสจนมีความมั่นใจตนเองแล้วก็ค่อยน้อมในการที่จะแผ่ไปให้กับบุคคลอื่นดันั้นการแผ่เมตานั้นสภาพของเมตานั้นต้องออกไปในอารมณ์นั้นจริง ไม่ใช่ว่าติดอยู่ที่ลิ้นที่อปากหรือไม่ใช่ว่าติดอยู่ที่ใจถ้าติดอยู่ที่ลิ้นที่อปากหรือติดอยู่ในที่ใจนั้นแสดงว่าเมตตานั้นไม่เ อ, อ, อื้อหมกมันเหมือนว่าเราจะหยิบของนะแต่มือเราไม่ยื่นออกไปที่ของนะั้นมันก็ไม่ได้ของเวลาเจริญเมตตาหรืออบรมเมตตาเวลาแผ่เมตตาก็เหมือนกัน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 เมตตาภาวนานะมันเกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อเมตตาภาวนาเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เป็นการทชี่เห็นว่าเป็นการอบรมเป็นการบ่มเป็นการเจริญเมตตาทีนี้การบ่มการเจริญการอบรมเมตตาเนี่นะจะต้องให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องการเป็นไปอย่างต่อเนื่องในลักษณะอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าเป็นการเจริญเมตตา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 แล้วก็เจริญเมตตาอันที่ตนอบรมแล้วด้วยศรัทธาหรือด้วยการที่ประครับประคองความเพียรไว้บอกว่าขอสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่าได้มีจิตคิดพยาบาทอาฆาตรองร้ายเบียเดเบียนซึ่งกันและกันเลยเจริญศรัทธาประกอบด้วยเมตตาแล้วประครับประคองด้วยความเพียรนี ขอสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่กกจเกกจเ็บ ต, ต, ตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยแล้วก็อบรมเจริญเมตตาอบรมสตินประกอบด้วยเมตตาและความเพียรเป็นต้นขอสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนในพ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงถึง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 ลักษณะอย่างนี้ก็จะสามารถเจริญเมตตาให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องการเจริญเมตตาให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างนี้ต่อไปจะเป็นปัจจัยแก่การที่ทาให้การแผ่เมตตาของเรานี้นเป็นไปได้อย่างตลอดสายทียนี้นการที่เราจะเจริญเมตตาให้เป็นไปได้อย่างตลอดสายได้นะั้นะนะนะที่เมื่อสักครู่ที่กล่าวนำในการที่จะ แผ่เมตตาให้เป็นไปในทิศทั้งหลายเป็นต้นเหล่าเนี้ทีนี้ในคําสอนนั้นท่านกล่าวท่านกล่าวไว้มากพระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าดูก่อรลาธะความพอใจความกําหนัดความยินดีความไข่อันใดในรูปรขันธ์บุคคลใดติดข้องอยู่ในรูปรขันธ์ด้วยความพอใจเป็นต้นเพราะเหตุนั้นบุคคลนั้นจึงเรียกว่าสัตว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 ให้เกิดขึ้นในกระแสใจของเราเมื่อเมตตาและอินทรีย์ทั้งหลายเกิดขึ้นในใจของเราแล้วเนี่ยเมตตาและอินทรีย์เหล่านั้นก็จะบล่มจิตใจของเรานั้นให้เจริญให้งอกงามเป็นต้นเหล่านี้ประทานต่อมาก็คือบอกว่าขอให้ข้าพเจ้าอจะได้มีเวรต่อใครๆเลยเวรในที่นั้นเป็นชื่อของปางอาธิบาทเป็นชื่อของการฆ่าเวลาเนี่ ย, เ, ยเวรอีกอย่างหนึ่งก็คือ ชื่อคาว่าเวนเนะี่ยเป็นชื่อของการที่บอกว่าเวนไัยทั้งหลายเนะี่ยเช่นปานาติบาสการฆ่าอาทินนาทานการลักการเมสุมิฉาจารก็คือการประพฤติผิดในกามมูสา ว, วาสก็คือการกล่าวเท็จเป็นต้นเราก็ตั้งจิตปรารถนาบอกว่าให้ข้าพเจ้าหรือขอให้ข้าพเจ้าเนะี่ยพ้นจากเวนทั้งหลาย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 เป็นจิตที่ควรคาจัดเป็นจิตที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นในขันเมื่อพยาบาทเกิดขึ้นเนี่ยนะเขาเรียกว่าความให้สังเกตดูนะว่าบางครั้งนเนี่ยทําไมเวลาเรานอนเนี่ยเราก็จะฝันร้ายอไปทั่วเหตุที่เรานอนแล้วก็ฝันไปทั่วฝันร้ายบ้างฝันตื่นตุกเป็นตาเป็นต้อนต อ, อะไรนี่มองบอกเลยว่าใจของเราเนี่ย หนึ่งมีใจพยาบาทประการต่อมาก็คือจิตไม่เป็นสมาธิจิตมันฟุง้งเพราะจิตเราเกิดความหงุดหงิดง่ายพยาบาทง่ายจับจดอะไรง่ายๆเนี่ยไม่ค่อยตั้งมั่นในอารมณ์ใดเวลานอนก็ฝันร้ายบ่งบอกเลยว่าใจไม่มีเมตตาเมื่อใจไม่มีเมตตาเนี่ยมันจะฝันร้ายอยู่ตลอดเวลาและนอนก็เดี๋ยวตื่นบ้างเดี๋ยวผวาบ้างนี่เป็นตนน้นนะ ตื่นขึ้นมาก็ไม่มีความสุขสีหน้าก็ยุ่งเหยิงไม่ยิ้มแย้มไม่พองใสไม่เหมือนกับบุคคลที่เขาเจริญเมตตาเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยจิตของเขามีเมตตานี่เป็นไปอย่างนี้ฉะนั้นถึงบอกว่าขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีจิตคิพยาบาทอาฆาตปองรลายเดือดเดือดขึ้นในใจเลยทพยาบาตรที่มันเกิดขึ้นกับใจเราเนี่ยเราก็ไม่ปรารถนาให้พยาบาตรเกิดขึ้นใน ใ, นใจ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 ปลาโรคตนเองบอกว่าสัตว์ที่ง่วงเหงาหานอนสัตว์ที่เกียดทานทั้งหลายเดี๋ยวนี้ก็าข้นลงไปอยู่ในใบายภูหมดแล้ววนะเนี่ยเออนี่เหลือแต่เจ้าเท่านั้นเองที่ยังเกลียนการอยู่ในการเป็นมนุษย์อยู่อยากจะนั้นเลยว่าเนี่ยนะถ้าเราไม่รีบผักห้ามจิตของตนเองขจัดความงกง่วงให้ออกจากใจมุ่งมั่นในการเจริญกรรมาฐานเดี๋ยวเราก็จะตามเหล่าสัตว์เหล่านั้นไปเนี่ย น, นะพยายาม พอคิดถึงอบายาตัตว์คิดถึงอบรรยายภูมิอย่างนี้มันกลัวนี่มันเกิดความรู้สึกภาคเพียนขึ้นมาโอบไม่เอาแล้วมันก็ลุกออกจากความภาคเพียนพอลุกออกจากความเพียนเหล่านี้มันก็เลื่อนแขนน้อมจิตเข้าไปหาสมาธิใหม่ทีนี้พอตั้งมั่นในการที่จะอบรมในการที่จะเจริญสมาธินี่ยนในขณะนั้นเราก็น้อมถึงบอกว่าคอยเข้าไปเจ้าอย่าได้มีจิตคิฐิยาบาทอาฆาตฟองรา้าเดียดเดือนขึ้ในใไใจเลย สการต่อมาคือว่าขอยเข้าไปเจ้าเย็ดได้ได้มีความทุกกายทุกใจเลยความทุกกายและความทุกใจเนี่ยสัดโลกไม่ปราถนาเลยไม่มีใครปราถนาทุกคนปรารถนาความสุกกายความสุขใจทั้งนั้นความทุกกายที่เกิดจากโกาครคภัยไข้เจ็บจากการเกิดจากการกระทําของบุคคลอื่นจากสัตว์อื่นหรือจากการหกล้มเป็นต้นนั้นเราก็ไม่พึงปรารถนา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 ขอให้เข้าไปเจ้าจงพ้นจากศัตรูทั้งภายในและภายนอกขอให้เข้าไปเจ้าจึงพ้นจากศัตรูทั้งภายในและภายนอกพอตึกคิดบ่อยๆนี่นะนักเข้านักเข้าศัตรูมันหายไปแล้วมันพ้นจากศัตรูได้จริงๆถ้าไม่น้อมจิตหรือไม่ให้พรตัวเองแบบนี้มันไม่พ้นบางคนมีประสบความยุ่งยากในชีวิตนี่นะเพราะแผ่เมตตาให้ตนเองพ้นจากพยานอันตรายต่างๆเหล่า น, นั้นแล้วมันพ้นได้ บางคนเนี่ยประสบความย่อยยับทางทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเนี่ยเออเพราะเจริญกรรมฐานแผน่เมตตาอย่างเงี้ยเนี่ยทําให้จิตใจของเอ็งมุ่งมั่นและตั้งมั่นเหมือนอนาถาปินีราเศรษฐีเป็นต้นอะย่างเงี้ยนะในสมัยครั้งพุทธกาลพอมาตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมพอเจริญกรรมฐา น, นจากการอิบัตจากทรัพย์ก็กลับมาร่ํารวยอย่างเก่าเนี่ยเนะี่ยฉะนั้นสิ่งที่มันย่อยยับมันก็กลับมาฟื้นดีขึ้นหมาไดนะ้จากการที่ ตั้งต้อตั้งหลักที่ตนเองก่อนฉะนั้นการตั้งหลักที่ตนเองเนี่ยนะสิ่งที่ดีๆ ง, งามๆทั้งหลายเดี๋ยวมันก็ไหลาตามมาประการต่อมาว่าเออเรามุ่งมั่นที่จะทำจริงๆร้ไหมถ้ามุ่งมั่นที่จะทำจริงๆอบรมหรือเจริญเมตตารจริงๆเนี่ยนะสิ่งต่างๆดีๆ ง, งามๆทั้งหลายเนี่ยมันไหลดา ม, มาแต่มันต้องอยู่ที่ว่าเราต้องมม่งมั่นเลยนะต้องไม่ท้ถอถอยเลยะ จิตใจนั้นต้องจดจอ่อต้องมุ่งมั่นต้องเพียนพยายามใช่ไมเราจะเห็นได้ว่าการภาคเพียนในการเจริญกรรมาฐานเนี่ยบางคนเ็าบอกว่าคนนั่งหลับตาเนี่ยคือกิฉะนั้นในเรื่องของการเจริญเมตตาเนี่ยไม่ใช่กิจของคนเกียด้านแต่เป็นกิจของคนที่จะต้องมีความภาคเพียนมีความขยันหมั่นเพียรมีความมุ่งมั่นอย่า ง, างแท้จริง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 ต่อไปข้าพเจ้าคิดถึงสิ่งใดจะให้ใจประกอบไปได้วยเมตตาด้วยมีความรักมีความปรารถนาดีมีความเมื่าทอนแบบจริงใจเมตตาแบบน้ำใสใจจริงเลยไม่ได้เสแสร้งเลยเป็นเมตตาที่เกิดขึ้นอย่างจริงๆเลยเวลาน้อมจิตไปกับใครเนะี่ยฉะนั้นสถานการณ์ต่างๆความเล่าร้อนต่างๆความเดือดร้อนต่างๆจะหายเกลี้ยงไปหมดละ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 ให้สิ่งที่เขาต้องการร่วมกันเนี่ยจงสมรทธิผลเถิดนั้นเขาทำอยู่ไม่นานเลยเนี่ยพลังของเมตตาชาญเมตตากรรมฐานเนี่ยนะหรือเมตตาจิตเนี่ยที่เขาทำบ่อยๆทำแล้วๆเราๆเนี่ยเออสมริธผลไนดะ้นี่เป็นอย่างนี้นะนี่สังคมโลกในบ้านในเมืองเรานี่ที่มันเดือดร้อนเนี่ยเพราะว่าคนจเจริญเมตตากันไม่ดู ถ้าคนเจริญเมตตากันถูกจริงๆเนี่ยไม่เดือดร้อนและส ง, งบสุขไปนานแล้วทีนี้ไอคนอื่นจะอย่างไรก็แล้วแต่แต่อย่างเราท่านทั้งหลายที่มา น, นั่งฟังว่าธรรมกันอยูอย่เราต้องเจริญเมตตาให้ถูกทีนี้พอเรารู้พื้นฐานเห็นการกําหนดถึงการพิจารณาแล้วเวลากลับไปที่บ้านหรือที่อยู่ของตนเองเราก็ไปต่อ ย, ยอดวิธีไปต่อ ย, ยอดก็คือว่าจัดอาสนะ จัดสันทัดหรือจัดนีสีธนะผ้าปูสำหรับนั่งต่อหน้าพระตัวหน้าอะไรต่างๆเด็เศ็จตัดปริพอดกังวลเดยดเศ็จก็แผ่เมตตาได้ทุกวันวันละเป็นชั่วโมงได้ยิงนงดีไม่หม่อาจจะได้สิบห้านาทีบ้างสามสิบนาทีบ้างในที่สุดจริงก็ได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเลยก็แล้วแ็่แต่ในที่สุดจริงๆเหลือวใจก็จะเป็นไปกับเมตตา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 อัตภาพหมายถึงธรีระร่างกายเรียกว่าอัตภาพอีกอย่างหนึ่งหมายถึงขันทั้งห้านั่นเองคือรูปบัคขันเวทนาขันสัญญาขันทังกาและขันอินญาในการอัตภาพของตนเองขันห้าของตนเองเนี่ยสุขีอัตานังปริหาราขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงรักษาขันห้าของตนเองให้พ้นจาก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 แม้ในอนาคตเราก็จะต้องไปเจอภัยต่างๆมีชาติภัยชาราภัยมรณะภัยเป็นต้นเออือเมื่อกระแสขันที่มันจะต้องเป็นไปกับภัยอย่างนี้นะบางทีเราก็อธิษฐานถ้าขันห้ายังไม่ยังเวียนว่ายไดยเกินถ้ากระแสขันมันยังเป็นไปตามวตฏจัสังสารจากักสังสารวัฏเนี่มันยังไม่ขาดวัฏพบวัทุกเนี่มันยังเป็นไปอย่างไม่ขาดสาย เมื่อวัตถุทุกยังเป็นไปอย่างไม่ขาดสายเป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นไปอย่างไม่หยุดหยอด่อนไม่หยุดยัง้งภัยมาถึงเราในการเจริญเมตตาการตั้งอัธยาศัยขอให้รักษาพัญญาพ้นจากภัยเบื้องต้นก็คือว่าพ้นจากภัยมีราชภัยโจระภัยอุทกภัยวารภัยอัคขีภัยหรือราชภัยโจระภัยทั้งหลายพ้นจากภัยเราคือโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลาย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 ประเภทที่ปันกลางๆเหลา่านี้เนี่ยก็ประคับประคองไปได้ยังไม่เดือดร้อนอเกินไปแต่ถ้าหากว่าประเภทที่กรรมมันรุนแรงเหลือเกินเนี่ยเนาะโรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนอย่างนหนักสหัศการเอาผอนหนักเป็นเบาได้เอาไรดิฉะนั้นการเจริญเมตตาเนี่ยเนามันเป็นคุณประโยชน์อย่างนี้เรารู้ประโยชน์เราเห็นคุณของเมตตาเห็นโทษของโทสะเห็นคุณของคันธิธรรมอย่างนี้เแบบเสร็จก็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 เวลานอนก็จะกลิ้งไปมาแบบรอบตัวนอนกลนบ้างลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่านอนเป็นทุกข์นอนกระสับกระส่ายคนนอนในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าคนนอนแบบขาดเมตตาธรรมลักษณะเห่นงการนอนแบบขาดเมตตาธรรมเนีสแสดงให้เห็นชัดเลยบอกว่าในอัธยาศัยของท่านพวกนั้นนะไม่เคยเจริญเมตตาอาจจะเคยทอดเมตตาจริงบางคนบอกว่า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 ส่วนคนที่มีเมตตาเนี่ยนะสังเกตตัวเราได้ไหมยาะเวลาตื่นนอนเนี่ยหน้าตาเบิกบานนี้หรือนี่หน้าตายับยู่ยี่ยับยู่ยี่หรือว่าเบิกบานเหมือนม้เหมือนดอกไม้แย้ม บ, บานถ้าตื่นขึ้นมาเหมือนหลับอะ่ะเพราะตื่นขึ้นมาหน้าตาก็เบิกบานบ่งบอกได้เลยวันนี้เมตตาดีมากแต่ถ้าตื่นขึ้นมาหน้าตายับยู่ยี่บางทีบิดซ้ายบิดขวาอยู่เนี่ยนะ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 นี้ถ้าเห็นคนมีเมตตาเพราะทไมถึงเหมือนเห็นดอกไม้เพราะใจของบุคคลเหล่านั้นมีเมตตาอะไรไหนทีนี้ถ้าใจมีโทสะเนี่ยคนไปมองเห็นไม่ไหวแล้วเหมือนดอกไม้เหี่ยวใช่ไหมแต่ถ้าใจมีเมตตาเวลามองปุ๊บอ้มันชื่นใหจมากๆมีเป็นอย่างนี้เป็นที่รักของอมนุษย์เป็นที่รักของอมนุษย์อย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้แต่อมนุษย์นะนะที่จริงมันมีเรื่องเล่าด้วยซ้ำเลย ที่ขละหาวดีอะเป็นกุฎุมพีเนี่ยที่เมืองปัจจรีบุตรในชมพูทวีปเมื่อเขาอยู่อยู่มาในเมืองปัจจีบุตรได้ยินข่าวบอกว่าที่ลังกาทวีดเป็นประเทศที่ประดับประดาสง่างามไปด้วยพระเจดีย์คือเขาได้ยินข่าวว่าที่ลังกามีพระเจดีย์เยอะเขาก็อยากไปไหว้พระธาตุใจเขาจะน้อไปในการที่จะไปไหว้พระธาตุเนี่ยนะแล้วก็เป็นเมืองแห่งเป็นล่มภาคารสาวพัส ใครๆก็ตามสามารถจะไปนั่งหรือไปนอนได้อย่างสบายปลอดภัยในที่ตนเองประสงค์สปายะทุกๆอย่างอากาศก็สปายะเสนาสนะก็สปายะบุคคลก็สพายะธรรมะก็สปายะขาได้ง่ายทีนี้ท่านวิสาขานี่ที่เป็นกุฎุมภีร์ชื่อวิสาขา์ก็ได้ตัดสินใจมอบโพคสมบัติของตนให้แก่บุตรเพยาเมื่อมีทรัพย์ ขอดติดชายผ้าอยู่เพียงกหาปะหนะเดียวเท่านั้นคือเอาเงินติดหนึ่งกหาพนะติดขอดกระชายผ้าแล้วก็ออกจากบ้านเดินทางไปไปในมหาสมุทรนึ่งในเดือนหนึ่งกุดุมพีวิสาขาเป็นคนฉลาดในเชิงโัหานก็ได้ซื้อของณนะที่นั้นไปขายณนะที่นั้นรวบรวมทรัพย์ได้ถึงพันกหาพนะในระหว่างเดือนหนึ่งด้วยด้วยการค้าขายแล้วก็ได้ถึงวัด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 ท่านก็จะกะพอคบกาหนดแ้วท่านก็จะกลับท่านไปเจริญเมตตานะทีนี้เทวดาที่สิงสถิตอยู่นะที่ตรงนั้นก็ร้องไห้พอคืนที่ท่านจะกลับพอร้องไห้ก็ท่านก็ถามเออนั่นใครเนี่ยท่าก็บอกอา้าวทาไมบอกโอ้ท่านอยู่ตรงนี้ค่ะกลุ่มเทวดาทั้งหลายเขาสามัคคีกันแล้วเกิดแต่เดี๋ยวถ้าท่านไปจากที่ตรงนั้นเดี๋ยวที่ตรงนี้ก็จะแตกแยกกันวงไอ้นิมนต์เนี่นอยู่ท่านก็เลยอยู่ ในสุดจริงๆท่านได้บรรลุท่านได้บรนะบรลุอาศัยอนุข้อเทวดาด้วยท่านก็เจริญเมตตาเป็นกรรมฐานเป็นพื้นฐานในสุดจริงๆก็เอาเมตตานะเป็นบาตฐานในการเจริญวิปัสสนาในสุดที่ว่าบรรลุได้เป็นพราจารนี่เป็นอย่างนี้นะี่ะไม่ว่าเทวดาเป็นไม่ว่าเทวดาเป็นที่รักของเทวดาเป็นต้นเหล่านี่ไฟยาพิสตราไม่แกร่งกรายด้วยนะแล้วก็สมาธิก็จะ เออให้สังเกตดูว่าคับผู้คนที่เจริญเมตตาเนี่ยสมาไฟยาพิสตราป้องกันเนั้นถ้าเจริญเมตตาให้ถึงขั้นจริงๆเนี่ยนถึงสิมงมัศพเพศจริงๆเนี่ยเอาถึงผลจริงๆเนี่ยสามารถป้องกันพญานตรายทั้งด่างเาลยเออมีตัวอย่างเยอะประเภทที่เอาน้ำร้อนสาดก็ไม่เป็นอะไรน้ำร้อนเดือนเดือนเนี่ยนะแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งสาดนะ เอาตอนที่ว่าให้เมตตามันเกิดขึ้นให้แก่กันน้ําร้อนสาดเข้าไปกลายเป็นน้ําเย็นนี่เป็นอย่างนี้ได้ยินมาว่าแม่โคตัวหนึ่งอนะกําลังยืนให้นมลูกอยู่ขณะนั้นในพานคนหนึ่งก็ตกลงใจว่าจะแทงมันได้ตหวัดมือพุ่งหอกเข้าใส่ทันทีแต่หอกนั้นพอไปจรดลำตัวของแม่โคนั้นมันก็พับลงเหมือนกับใบตาล อันเนี้ยไม่ใช่ด้วยกำลังของอุปจารละสมาธิหรือไม่ใช่กำลังของอัปปนานะแต่เพราะความมีใจรักลูกอย่างรุนแรงที่เป็นเมตตาเมตตามีอนุภาพยิ่งใหญ่อย่างนี้คือในขณนะนั้นน่ใจสั่งหอลคดด้วยเมตตากาลังรักลูกให้ลูกกินนมอยู่เอาหอกพุ่งไปเติมที่หอกภับลงอย่างระใบตาาเลยอันนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์ อ น, นี้ไม่ได้สมาธิอะไรเลยนะฉะนั้นถ้าเราดูอย่างนี้แล้วเนี่ยเออพอได้เราท่านทั้งหลายเนี่ยทำไมจะทําให้เกิดขึ้นไม่ได้ใช่ไหมพอรู้อย่างนี้แล้วก็กระทํากระแสจิตให้เกิดขึ้นให้มีเมตตาประการต่อมาก็คือจิตเป็นสมาธิได้เร็วเมื่อพิจารณาถึงฐานจิตของเมตตาวิหารีบุคคลจะเป็นสมาธิได้อย่างรวดเร็วไม่มีความเชยชาเลยถ้าคนเจริญ เมตากรรมาฐานอย่างต่อเนื่องเนี่ยน ะ, จะเจริญอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องเป็นอธัธยาศัยเนี่นะจิตจะเป็นสมาธิได้ค่อนข้างเร็วแล้วรวดเร็วมากเหมือนเราทั้งหลายที่กาลังฝึกกันอยู่อย่างเงี้ยในขณะที่จิตเราฝึกแล้วก็น้อมกระแสจิตเป็นไปกับเมตตาอยู่เนี่ยเนะียลักษณะอย่างนี้เขาถึางบอกว่าเมตตาเกิดสมาธิก็จะเกิดเลยผิวหน้าก็ผ่องใสใบหน้าของบุคคลที่จเจริญเมตตานั้นจะผ่องใส เหมือนตาลสุกที่หล่นจากขั้วใหม่ๆประการที่สิบก็คือว่าไม่หลงทําการเกรียตายด้วยความหลงย่อมไม่มีแก่บุคคลที่เจริญเมตตามั่นใจได้เลยว่าไม่หลงตายอ่ะหลงตายก็คือเพ้อตายบังใกล้จะตายก็ฟ้งซ่านอย่างนี้เป็นต้นคนเจริญเมตตาจะไม่มีอย่างนีน้คือจะตายเหมือนนอนหลับเวลาจะไปจากภพนี้สู่ภพหน้า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 จเจริญเมตตาอย่างนี้แล้วเราก็ต้องทําเจริญเมตตาให้ต่อเนื่องที่จเจริญเมตตาให้ต่อเนื่องก็คือว่ารู้จะต้องทําเมตตานี้ให้เกิดขึ้นให้จริงให้เป็นจริงเป็นจังไม่ไม่ไมทําเหมือนเก่าก่อนเหมือนเก่าก่อนก็คือว่าลักษณะของการจเจริญเมตตาที่ที่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่บรรลุผลทีนี้ประการต่อไปก็คือว่า ลักษณะของการเจริญเมตตาเนี่ยสิ่งที่จะพึงได้จะหยิบมาเป็นข้อๆเนี่ยจะไม่หยิบเอามาทั้งหมดบอกว่าประการแรกก็คือว่าให้เห็นโทษอุบายบรรเทาความโกรธคือถ้าเราจะเจริญเมตตาได้ดีเนี่ยต้องขจัดความโกรธในใจของเราให้ออกผู้ปฏิบัติเพียรพยายามพัฒนสอนตัวเองบอกว่าแต่ความโกรธแค้นความโกรธ ยังไม่สงบลงแต่นั้นนะ่ะบุคคลจงใช้วิธีสมมุติว่าถ้าเราเนี่ยหงุดหงิดง่ายแม้ในขณะที่นั่งอยู่เนี่ยนะถ้าเกิดความหงุดหงิดท่านมีอุบายบางข้อบอกว่าให้เรียกตนเองบ่ามีแน่พ่อมหาจำเลยเนี่ยถ้าเป็นยศผู้หญิงก็แม่มหาจําเิญนี่นะอันนี้เรียกตัวเองเนะยเจ้าโกรธคนอื่นเขาแล้วจับได้ประโยชน์อะไรเริ่มถามตัวเองเนี่ย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 เรามานั่งทํากรรมชั่วโกรธเขาทําไมพอคิดได้อย่างเนี้ยเมตตาก็เกิดเลยพอเมตตาเกิดขึ้นเราก็มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นทาติมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทํากรรมใดไว้ดีหรือชั่วเราก็จะตกหัวไหลรับผลของกรรมนี้เมื่อเรานี้กําลังทํากรรมดีอยู่ทําเมตตากรรมอยู่ไอ้กรรมดีนี้ก็ต้องตามสนองบุญเรา กรรมของเจ้านี้มันไม่สามารถที่จะบรนดาลให้สําเร็จสัมมาสัมปวียาณปัจเจกพุทธิยานและสาวกสมมุติถ้าเราโกรธไอความโกรธของเราเนี่ยจะบันดาลให้เป็นพระพุทธเจ้าได้ไหมก็ไม่ได้บรรดาลให้เป็นพระปัเจกพระพุทธเจ้าได้ไหมก็ไม่ได้บรรดาลให้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็ไม่ได้และไม่สามารถบรรดาลให้ได้สมบัติ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 มีกรรมเป็นทาญาติมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เป็นด้ถ้ามีคนบางคนมาโกรธเราเเนะี่ยเราไม่มีความจําเป็นที่ต้องไปโกรธต่อไปต่อไปแล้วถ้าเขาโกรธเราเขาไม่พอใจเราเนี่ย เ, เขาทํากรรมไม่ดีความวิบัติก็เกิดขึ้นกับเขาเพราะเขามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นทาญาติมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เขาทํากรรมใดไว้ดีหรือชั่วเขาก็จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นกรรมของเขานั้นก็ไม่สามารถบรรดาให้เขาให้ให้ถ้าเขาโทสะเขาโกรธล้วเนี่ยความโกรธของเขาก็ไม่สามารถจะเป็นปัปนปจจัยให้เขาสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นพระราชาเป็นต้นไม่ได้เลยแต่กลับจะทําให้เขาตกไปจากศาสนาเสื่อมเสียวิบัติเพราะ โทษสาโดยแท้ฉะนั้นเมื่อพิจารณาลักษณะแบบนี้เป็นต้นเราก็จะเห็นว่าสภาพของโทษสาไม่ว่าเกิดขึ้นกับเราและเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นก็เป็นสภาพที่น่ากลัวใช่ไม่ใช่พอเรามองเห็นโทษของโทษสาในลักษณะอย่างนี้แล้วก็เราก็จะเริ่มตรึกพิจารณาแล้วบอกว่าสภาพของโทษสาเนี่ยไม่ดีเลย เขาผู้นั้นเมื่อขืนทำกรรมอยู่อย่างนี้ย่อมชื่อว่าปโปรยทุลีคือความโกรธใส่ตนเองเหมือนบุรุษผู้จะปโปรยทุลีใส่คนอื่นแต่ไปยืนอยู่ใต้ลมเช่นน้เช่นถ้าหากว่าท่านผู้นั้นจะโกรธใช่ไหมก็เหมือนเขาเอาฝุ่นเนี่ยขึ้นไปอยู่บนที่สูงแล้วก็ปโปรยไปเหนือลมเดี๋ยวลมก็ซัดเข้าไปใส่ถูกหน้าเขาเอ ถ้าเราโกรธก็เหมือนเราเอาปุ่นเข้าไปโปรย